ตัวสติขา FM 106 และรายการนี้ก็พบกับท่าน ที่คือเรื่องสติประฐาน 4 ก่อนจะไปต่อจะไปต่อรบกวนให้ท่านให้ผู้ที่ยัง 4 คืออะไรอีกสักนิดนึงก่อนนะคะเอ่อสติแปลว่าความระลึกได้หมายความระลึกเช่นมาระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนึกระลึกถึงหน้าพ่อ<ใช> นั่นจะเป็นแล้วสิ่งที่เราควรจะระลึกเวทนาจิตหรือได้ 4 อย่างนี้ถ้าพูดให้มันง่ายนะถ้าพูดให้มันง่ายๆกว่านี้ก็ ดิดิคําเป็นทางเอกนึงก่อนจะไปต่อเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเป็น อันเนี้ยเจอโชคจังๆเลยแล้วไม่ต้องเสี่ยงด้วยใช่แต่ว่าต้องนําไปปฏิบัติก็นิมนต์ธรรมดาด้วยนะต้องๆคือ กินเล่ามึนหรืออะไรเนี่ยก็ใครเข้า 3 ก๊กเนี่ยนะวรรณกรรมเนี่ยอันนี้ไม่ หนานจิวอี้เนี่ยเอ่อเป็นยอดนักรบแห่งเสียงศาลนะมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เอ่อทวนมากนะแล้วก็เป็นนักรบที่มีความซื่อสัตย์หลายอย่างต่างๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอ่อตอนนั้นรู้สึกว่า ตัวเมืองเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขานะหน้าผาแล้วก็ คือถ้าส่งคนอื่นยุนิดนึงกับเปิดประตูอ่าพลาดเสียเมืองไปอีกนะแต่ว่าเราจะต้องปิดประตูนะเป็นนายทวันผู้ฉลาดๆนะคือคนเรา<ใช> นะเพิ่มตรงที่ฉลาดฉลาดขึ้นด้วยการฝึกนั่นหลายๆคนก็จะรู้ว่าเอ๊ะนี่สติอยู่ มันจะทําให้เกิดสติปัฏฐาน 4 ได้นะมันเป็นอันเดียวกันนะอันเดียวกันตรงที่ว่าๆกล้ามเนื้อต่างๆจะ เพราะฉะนั้นลมก็คือกายนั่นเองนะนี่คือข้อที่ 1 เอ่อแล้วก็พอลมเนี่ยถ้าสมมุติคุณโยมติ๋วลองหายใจเข้าให้ใจออกแรงๆแล้วเรา เป็นอยู่ที่เรามองมุมไหนเห็นเวทนาด้วยเหมือนกันนะเปเปเป 3 ที่เรามองได้เรามองได้ก็ สัตว์อะไรก็ชื่อว่าเห็นจิตเหมือนกันเห็นก็จิตนั่นเองแสดงว่าแล้วในขณะคือความฟุ้งซ่านบ้างความสงบบ้างเอ่อความไม่เที่ยงบ้างไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความกายเวทนาจิตธรรม ก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าเอ่อแค่อยู่กับลมหายใจ 4 นะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่พูดถึง กี่วิธีอืมโอ้มันมากมายนะคือทั้งหมดเนี่ยจะต้องมารวมลงที่อริยมรรคมีงค์ 8 แน่นะเปรียบเทียบเหมือน นั่นก็คือเหมือนการเช่นอสุภะมรณสติเอ่อหรือว่าการทําความเพียรหรือ <c oughs> 8 ค่ะอ่าทีนี้ประเด็นที่ 8 แต่เนื่อง อ่าอยากรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสวิธีครั้งนี่หมานับไม่ท้วนถ้าจะพูดภาษาป่าๆนะคะเทพวันที<อ> 4 ด้วยต้องบอก 8 นะเพราะว่าสติ 8 อ่าสตินี่ก็จะรวม 8 อ่าเอ้าจะ นะละอรุราลมหายใจนี่ นะ, นะ, 4 เต็มละแล้วไอ้ความเพียรที่เราเอามาใช้ใน นะความเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิละนะแล้วก็ถ้าสมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นสัมมาสมาธิอยู่เนี่ยฝึกไปฝึกไปมันก็จะนี้ได้ นะ, นะ, 5 อย่าง อีก 3 อย่างก็คือกายแล้วก็เอ่อความประพฤติทางกายความประพฤติทางอย 8 ก็ถึงความเต็มค่ะก็ คือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ว่ามีตัวอริยมรรค นะแล้วบางคนอาจจะค่ะแต่ๆแค่นี้เนี่ยบางคนเอ่อ 4 นะคะสมมุติ แล้วก็เกิดความสงสัยว่าก็ในเมื่อพูดถึงอ่า 4 กายเวทนาจิตธรรมในเวลาปฏิบัติเนี่ยเรา 1 คือกาย 2 คือเวทนาอะไรแลแล 3 แล้ว 4 โอเคเอ่อเวลาคุณ กินแป้งเข้าไปก่อนแล้วก็กินน้ําตาลตามเข้าไปแล้วก็กิน นะเหมือนในข้าวเมล็ดหนึ่งโปรตีนวิตามินเกลือแร่ ABC ต่างๆยากจะเห็นแต่เวลาปุ๊บมัน 4 อย่างคืออยู่ที่คุณจะต้อง เอ่อกรณีว่าแต่เอ่อเสียนาตรคือบีกันต้องไม่หลวมเหมือนก็เลยอธิบายให้ให้ทราบคือเราไม่ต้องกากเกณฑ์หรอกว่าเราจะต้องไปทํากายแล้วก็ข้ามไปอีกธรรมค่ะค่ะฉะนั้น อ่าเป็นว่าเพื่ออ่าทําให้มั่นใจในการที่จะหรือว่ามรรคนะคะเพราะว่าจะสมบูรณ์ 8 ถ้าหาก เวทนาที่จิตเราค่อยไปทําหรืออ่าได้เข้าใจง่ายเข้าๆๆนะคะ ทริปังคาลานี่ก็คือเรื่องสติปัฏฐานๆแล้วๆฝึกปฏิบัติ ที่ก็คอยอยู่นั่นแหละจะไปเห็นเวทนานะคะก็คอยอยู่นั่น ก็เป็นกฐินสามัคคีที่มีคนร่วม 27 พฤศจิกายนนะคะ FM ครอบครัวขาไว้